คงเปรียบเทียบจิตใจของคนเรานี่เหมือนกับลิงที่มันกระโดดโลดเต้นไปในป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้แล้วคว้าใส่กิ่งนั้นเลื่อยไปอย่างนั้นแต่ตนไม่ในป่าน้อยตนที่จะมีผลฉัน้นใดก็เช่นนั้นแหละ มันลาอารมณ์ต่างๆในโลกนี่ที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาอันที่จะเป็นประโยชน์มันมีน้อยส่วนมากความคิดของคนเราเนี่ยมักจะคิดลอยๆไปตามอารมณ์ขั้วใดอันใดก็คิดปรุงแต่งอันนั้นไปไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไร ให้สังเกตดูนจะจิตใจของคนเรานี่คนธรรมดาสามันเป็นอย่างนั้นแต่ที่บางคนก็มากเกินทไปตามความคิดของตัวเองตัวเองคิดเห็นยังไงไปแล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยละเอียดแล้วก็มากเกินทำตามหมุนไปตามความคิดของตัวเองอย่างนี้นั้นมีทางเสียมากกว่าทางได้ ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านยังสอนให้ทำสมาธิภาวนาเรื่องอนไรสำคัญสาคัญเราต้องทำสมาธิซะก่อนกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วจึงพิจารณาเรื่องนั้นมันก็เห็นเหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งคันเราเป็นทางผิดมันก็ยุติ ในดำเนินต่อไปเพราะมันเห็นแจ้งแล้วถ้าเป็นทางที่ถูกต้องมีประโยชน์ก็ทำลงไปเมือ่อเมื่อเราได้กันครองให้ดีแล้วทำอะไรลงไปมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดมันก็มีประโยชน์ดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมาย ของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เพื่อเราจะฝึกจิตให้มันตั้งมัน่นให้มันสงบลงไปแล้วก็เราจะเลือกอารมณ์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยะการสอดส่องธรรมก็หมายถึงการเลือกความคิดความเห็นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละ ตนเองเห็นอย่างนี้นะมันถูกหรือไม่มันเป็นธรรมหรือไม่หรือไม่เป็นธรรมเรื่องนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดควรทำตามหรือไม่ควรทำควรปล่อยวางหรือไม่อันนี้เรีย๋ยวเราตรวจสองทรรม การเลือกเฟ้นอารมณ์ความคิดความเห็นต่างๆให้พากันเข้าใจไอ้คนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนะคิดได้ยังไงก็ว่ากันไปอย่างนั้นเลื่อยเปื่อยไปก็เพราะเหตุนั่นแหละคนเรามันจึงเกิดความเห็นผิดขึ้นถูกเขาหลอกลวงไป ต้มตุนเอาเงินเอาทองได้เยอะแยะเช่นเขาเอาทองแก้ไปหลอกเช่นใหญ่ๆหญ่เขาทุกข์ด้วยโคเมียมเลื่มประพัดสอนของตัวเส้นเล็กเา่าบอ้ของคุณมันเส้นเล็กคนอันนี้มันเส้นใหญ่มาเอามาแลกกันเถอะจะคากันลงไป ตีราคากันลงไปแลกกันพอแลกกันเสร็จแล้วเขาคนหนีไปคนหนีไปตัวเองเกิดสงสัยขึ้นมาเอาไปให้ช่างทองดูช่างทองมันก็เป็นทองแก่ผู้นั้นก็เกือบลมจับเอาก็มีนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไอความอยากคือตัณหาเนะี่ยมันทำให้คนเราดำเนินงานไปผิดพลาดไป อย่างมากมายนอกจากผิดพลาดในการหาเงินหาทองแล้วก็ผิดพลาดไปในทางสิสนล่วงสินไปเพราความอยากนี่น เ, เป็นมูลเหตุทำให้คนเราล่วงสินล่วงทำมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมาฝึกใจของตน ให้สงบประ ง, งับลงไปแลอย่างนี้นะใจหนักแน่นแล้วจะไม่เชื่อคนง่ายๆผู้ใดพูดอะไรมาผู้ใดแสดงบทบาทอะไรมาก็จะต้องคิดซะก่อนจะต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ทวนซะก่อนก่อนที่จะเชื่อลงไปถ้ายังพิจารณาไม่เห็นก็ยังไม่เชื่ออ่า มันต้องให้เข้าใจไว้มนุษย์ทุกวันนี้ยิ่งหลายเหลี่ยมหลอกลวงอุบายหลอกลวงเั้นารพัพยตบนทีก็วางยาสลบอันบนนี้แต่มันต้องรู้ไว้<ม>ไปรถไปเรืออะไรนั้นด้วยกันอย่างนี้เข้ามองดูพวกนี้มันจะมีสตังมากมีของวิฆามาก ถ้มาตีสนิทเข้าไปแล้วไปหาน้ําอดรม์มาเลี่ยงกันหานมกาฟแฟอะไรมาเลี่ยงไอ้เวลาเช่นนั้นไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องเลยคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งมาตีสนิทเอาปัจจุบันทันด่วนเนี่ยคุณไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากัน พ, พ, พิจิตรพิจารณาดูให้ดีเรื่องของ จ, จิตใจ ก็อย่างที่พูดมาแล้วนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงเราจะต้องฝึกจิตนี้ให้มันหนักแน่นไม่ให้มันเลอะแหละเร็วไหลไม่ให้มันเชื่อแต่ความคิดอันปลอมปลาไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเราต้องเมื่อมันความคิดความเห็นอะไรขึ้นมา มันก็ต้องกำหนดใจใช้ปัญญาพินิษิจารณาควมคิดความเห็นอันนั้นให้แจ่มแจ้งเมื่อเห็นว่ามันไม่ผิดสินไม่ผิดธรรมมันเป็นประโยชน์ก็จึงทำจึงพูดไปถ้าเห็นว่ามันผิดสินผิดธรรมแล้วก็ไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ทำไม่พูดนิ่งอยู่เลยดีกว่า อันนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้ปฏิ ธ, ธรรมที่จะต้องบำเพ็ญตนอย่างว่านี้นอกจากนี้แล้วการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์โดยแจ่มแจ้งโดยปัญญาอันนี้มันยิ่งเป็นอุบายตัดกระแสของกิเลสตัณหาอันมันมีอยู่ในใจนั้นมากมายลงได้ คือ่เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็สิ่งทั้งหมดที่มีความเกิดขึ้นที่มีวิญญาณคองเช่นมนุษย์และสัตว์เรฉานเป็นต้นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคองที่เกิดขึ้นเช่นต้นไม้แผ่นดินหินกวดทราย น้ำไฟลมอะไรพวนี้นะมันความเกิดขึ้นสิ่งต่างพวเนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ระชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้โดยแจง้งแจง้งดยปัญญาแล้วมันก็ไม่ถือมั่นอะไรทั้งหมดมเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเท่านั้นแหละ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะไรถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะมันก็ตัดกระแสของตัณหาอันมันท่วมท้นจิตใจในลงได้นั่นพอเราพี่นาถึงความจริงของสังขารร่างกายนามรูปนี่ก็ดีหรือว่านอกนามนอกรูปนี่ออกไปก็ดี มันก็ล้วนแต่ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้เหมือนกันหมดเลยคือความไม่เที่ยงควา ม, มทุกทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีลักษณะสามประการนี้อยู่พร้อมมูลบริบูรณ์ทั้งนั้นเลย นี่เราพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วไอ้จิตที่มันจะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงมัวเมาไปกับของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างว่านี่มันก็ไม่เป็นไปมันก็ดำเนินไปทางสายกลางถ้าผู้คลองเรือนอย่างนี้มันก็ทำมาหาเรี่ยงชีพยอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรม ไม่เลยกรอบแผ่นสินแทงทำไปอย่างนี้ระ บ, บวชอย่างนี้ก็เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกไม่ลวงเขาเลี้ยงชีวิตเพราะหความคิดความเห็นอย่างว่านี่มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ปันเทาความโลภความโกรธลงได้ความโลภในอาหารความโลภในผ้านุ่งผ้าห่ม ความโลภในที่อยู่ที่อาศัยอความโลภในอยู่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆพวกนี้นะมันก็วาบงวางลงไปจากคิตใจอถ้าหากว่าบุคคลใดมามไม่ได้พิจารณาเห็นไตลรลักษณ์นายานอย่างว่านี้เรามันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้มันถึงได้เกิดมีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมา นั่นเองท่านมีเราแล้วก็มีเขาอย่างเนี้เมื่อมันเกิดความเห็นว่ามีเรามีเขาอย่างนี้มันก็เกิดความรักความชังขึ้นมาความพอใจความไม่พอใจอะไรความชอบใจความไม่ชอบใจอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมูลมันก็ไปตามเหตุดังนั้นนะ่ะเราผู้ เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วมันควรจะรู้ควรจะรู้จักเข้าใจความจริงของสังขารของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในโลกอันนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปทีเดียวแล้วมองดูร่างกายภายในนี่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างไรแล้ว ก็มองออกไปข้างนอกมันก็มีสภาวะเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยมองดูภายในก่อนเมื่อมันไม่เห็นแจ้งภายในนี่แล้วมันก็หลงแล้ววันนี้นะเมื่อมันสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สำคัญสิ่งภายนอกนั้นมีตัวมีตนเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่โลกนีมันเจ็ดยุ่งอยู่อย่างนี้ มันจะประพฤติต่อกันไม่เป็นสินไม่เป็นธรรมประพฤติต่อกันไม่ยุติธรรมก็เพราะมันมองไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แหละมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จะต้องอดทนไม่หวนไหวอื้ต่อกิริยาอาการของบุคคลผู้ไม่รู้ธรรม ซึ่งแสดงออกมาแสดงความเย่อหยิ่งความกระด้างกระเดืองอะไรมุลินะออกมาผู้ใดแสดงไว้เราผู้รู้ทำทัง้งหลายมก็รู้ได้ว่าอ๋อไอ้เจ้านี่มันยังไม่รู้ตรรัตนญาณยังไม่ปรากฏในจิตใจของเขาเขายังเกิดความรู้ความเห็นว่ามีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาอยู่ มันถึงได้แสดงอาการกระด้างกระเดืองออกมาอย่างนี้อืมแสดงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นชอบข่มเหงผู้อื่นหมูนี่มันมันเกิดไปจากนี้ทั้งนั้นนะจากความถือตัวถือ ต, ตนนี่นะผู้ใดมาเห็นแจ้งในไตรลัทธนญาณทั้งภายในร่างกายและนอกร่างกายนี้ออกไปแล้วก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะ่ะจากมีเมตตากรุณา จากประพฤต์เป็นยุติธรรมถ้าผู้ใหญ่ก็ย่อมประพฤติให้เป็นยุติธรรมต่อผู้น้อยมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยถ้าผู้น้อยก็ต้องรู้คุณของผู้ใหญ่ก็ต้องคิดตอบบุญแทนคุณผู้มีอุปการะทั้งหลายถ้าว่าผู้ใหญ่ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยทำต่อกัน อย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันแม้จะเป็นจำนวนหลายคนก็อยู่ได้ก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้กระทบกระทั่งกันในทะเลาะวิวาทกันนี่แหละคุณธรรมนะทมของจริงเนะี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติให้รู้แจ้งขึ้นในใจแล้ว ผู้นั้นก็ได้ความสบายใจความเย็นใจเพราะไม่วันไหวต่อความจะเกิดความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของสังขารทั้งพวงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยท่านบรรยัตประสังขารทั้งนั้นเนี่ยสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังขาร คือสภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้นะเมื่อเมื่อสิ่งใดมันมีสภาพถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งนั้นมันก็มีความแปลโวนแตกกลับไปเป็นธรรมดาสเพสั่งฆาราอนิจจติยะดาปัญญา ย, ยปะตัสติอัานิบินติดุเขเอตะมโกวิสุธิยาคุณะ S <S เมื่อใดมาเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแล้วย่อมเบื่อหน่ายในทุกข้อนั้นเป็นความบริสุทธิ์อดจดของสัตว์ทั้งหลายนั่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ข้อเห็นว่าบุคคลผู้มาพิจารณาเห็นสังขารคือสภาพที่เกิดขึ้นแล้วแปรควนแตกต่าไปเป็นธรรมดา อย่างนี้แล้วยอมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็เลือกทำแต่สิ่งที่มันไม่เป็นโทษผู้มีปัญญามอเห็นแย่งในไตร ล, ลักษณะญาณแล้วมันเป็นอย่างนั้นหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตแม้จะได้น้อยก็ไม่ว่าก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะได้มากก็ไม่ดีใช้เกินไปขอให้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ก็แล้วกัน ราให้เพืนผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ก็พอใจแล้วเรื่องอาหารการบริโภคเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นสุดแล้วแต่มันจะได้มาโดยทางชอบธรรมได้มาเท่าไหร่เราก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นด้วยเหตุเ น, นี้ยท่านจึงกล่าวว่าเป็นทางบริสุทธิ์ปดจดของสัตว์ทั้งหลายที่ตรงกันข้าม บุคคลผู้ไม่เห็นแจ้งในไตรัณนญาณอย่างว่านี่นะมันก็ย่อมถือเขาถือเราอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นแนะมันเกิดจิตเป็นกระด้างกระเดืองขึ้นไม่กลัวแม่แต่บาปกรรมความชั่วทั้งหลายที่พระเจ้าทรงตัดว่าผู้ใดทำความชั่วอย่างนั้นจะต้องได้สวยทุกข์อย่างนั้นเช่นนี้มันก็ไม่กลัวเลย เพราะมันแข็งกระด้างมันสําคัญว่าตนนั่นนะ่ะดีสําคัญว่าตนนั่นนะ่ะแข็งแรงอจิตใจหึกเหิมไม่กลัวอะไรนี่แหละความเป็นผู้ไม่เห็นแจ้งในไตรรักษณนญาณนะความถือตัวถือตนนะมันย่อมมีภัยต่อตัวของตัวเองแถมก็ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเข้าอีกไอ้พวกเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่ บุคคลเป็นผู้กระด้างกระดึ๋งนี้ทั้งนั้นเลยเป็นผู้ถือตัวถือตนจัดถือว่าตนมีอํานาจเหนือคนอื่นอยากจะทําอะไรใครก็ทําได้นี่ไปถือเอานาจเงินอํานาจยศท้าบรรดาศักดิ์นั่นเป็นเหตุทําลายผู้อื่นให้เป็นทุกข์เกิดซ้อนไป ไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเวรเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้เลยมันไม่ได้คิดกันหรอกมันคิดเอาแต่เอาชนะคนอื่นเขาท่านในปัจจุบันเท่านั้นแหละนังนั้นคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานนี่พูดกันไม่ได้เลยเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคนเราเชื่อ ว่าโลกหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพนิพพานมีจริงอย่างนี้นะทีนี้ทรงแสดงสวรรค์ว่ามีความสุขมากเพราะอะไรจรึงว่ามีความสุขมากก็เพราะคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดานะั่นแหะก็มนุษย์เรานี่เองเนะี่ยแต่เป็นมนุษย์นี่ได้ประพฤติสุจริตด้วยกายว่าชาชายัย มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีการสงเคราะห์สงหาเพื่อคุณแก่ผู้อื่นมีการเคารพนบน้อมตอบผู้มีคุณโอที่อันสูงกว่าตนเช่นนี้แล้วเมื่อล่าโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่ทํานั้นมันก็ น, นําไปเกิดในสถานที่เลิศคําว่าสวรรค์นั่นนะมันมาจากศัพท์ที่ว่าสักคะแปลวันเลิศ สักกเป็นภาษาบาลีวันนี้ภาษาไทยเรามาแปลงออกไว้เป็นคําวัสวรรค์ไปซะอย่างนี้อมหมายความว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลความดีที่บุคคลทาในโลกนี้มันนําให้ไปเกิดในสถานที่เลิศอย่างนี้แหละสถานที่เลิศหมายความว่าสถานที่เช่นนั้นผนะู้เที่ยงเขาเกิดอยู่ก่อนแล้วเขาก็มี จิตใจเป็นธรรมไม่คิดเบียดเบียนใครต่างคนต่างก็เสวยผลบุญกุศลความดีที่ตนทำมาอยู่ไม่มีการแย่งซื้อแย่งขายอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่มีการเบียดเบียนกันน่ะต่างคนต่างก็เสวยผลบุญที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์ไม่อดไม่อยากอะไรเหตุนั้นถึงไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ ท่านจึงกล่าวว่าสถานที่เลิศเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่าบุคคลผู้ที่ยังสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มยังไม่ได้บรรลุพระนิพพานแต่กําลังสร้างกุศลกุณงามความดีไปเมื่อหมดอายุสังขารจากมนุษย์แล้วพอไปเกิดสวรรค์ผู้บาเพ็ญสมาธิฌานให้บังเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร คนอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนี่ท่านเรียกว่าสุขติแปล ว, ว่าสถานที่ไปดีอยู่ดีกินดีคาว่าสุขตินั่นนะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจบางคนเน่ยเป็นผู้ถือปรมิจัดพอพูดถึงเรื่องสวรรค์อย่างนี้ไม่ชอบ คล้ายๆกับว่าตนนั้นได้พ้นจากโรคนี่แล้ะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วอย่ามีม้วนเทพมวนหนึ่งที่เขียนไปว่าทางไปสวรรค์เอาไปแจกให้คนหนึ่งคนนั้นเห็นแล้วเบืออหน้าเลยไมย่เอาขอม่วนใหม่พุทโธห้เรากระทุเลตใจมันยังไม่เข้าใจความหมาย ไม่ได้ฟังดูเนื้อหาของเรื่องไปเห็นแต่ชื่อว่าทางไปสวรรค์เท่านั้นไม่เอาแล้วไม่อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานเลยทีเดียวหนณวโอ้โหเจ้าพระคุณการไปพระนิพพานนะทำไมสร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์เช่นก่อนท่านกล่าวไว้หลักเกณฑ์นะสาวกธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไร ยังสร้างบารมีถึงแสนกับนุงกลัวจะเต็มกลัวจะบรรลุอรหัตตผลเข้าสู่พระนิพพานนั่นไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่าบุคคลนั้นจะไปสวรรค์ได้ง่ายๆเมื่อไหพรพระพุทธองค์ก็ยังทรงตัดว้แล้วว่าอันทะภูตโตอายังโลโกตุเกธะวิปัสสติสั ก, กูนาชาลมุตโตวะอปโปส ก, กายกัจจติ โลกคือมนุษย์คือหมู่มนุษย์นี่ถูกควาอวิชชาโมหะครอบงำแล้วทำให้เป็นคนมืดมนอนทการน้อยคนนักจะรู้แจ้งในโลกนี้น้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนอย่างนกที่ติดไข่ของนายพานน้อยตัวนักที่จะปลุดพ้นจากตาขา่ไปได้นี่พระพุทธภาษิต ทรงรับรองยืนยันไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนยอย่าไปประมาทว่าโถวสวรรค์นี่จะไปได้ง่ายๆอ่ะถ้าบุคคลใดไม่ฝึกขนอารมณ์จิตใจของตนให้เป็นสมาธิภาวนาให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณล่ะปล่อยให้ใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับอะไรต่ออะไรในโลกนี้อย่างนี้นะแล้วเมื่อตายลงมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะ จิตใจมันผูกพันอยู่กับโลกนี้จิตวิญญาณของพวกเราก็วกเวียนอยู่กับโลกนี้นี่นะในอีกในหนึ่งถ้าหากว่าบุญกุศลไม่มากพอเอศินไม่บริสุทธิ์พออย่างนี้นะมันมีทางจะไปสวรรค์ได้ต้องเข้าใจอย่างนั้นข้อสําคัญนะเราจะไปมุง่งคําว่าจะไปสวรรค์นั้นเรามุ่งทําความดีดีกว่าอื ทำความดีนี้ให้สูงขึ้นพยายามชําระจิตใจของต น, นให้สะอาดหมดจดจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่นะอืให้เต็มความสามารถของตนเท่าที่จะทําได้นี่สําคัญกว่าอทีนี่เมื่อตนทําความเพียรชําระตนให้เต็มความสามารถแล้วแต่ว่ายังชําระตนให้บริสุทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้ อันนี้มันหมดอายุสังขานลงไปเสียก่อนผลแห่คงความดีที่ทํานัน้นแล้ก็ส่งให้ไปเกิดที่มีความสุขความเจริญอย่างที่ว่ามานั้นแหะที่ท่านเรียก ว, ว่าสวรรคนะ์นั่นแหะมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันะถ้าบุคคลใดสามารถทําความเพียรละทีเลตตัญหานี่ให้น้อยบาวางหรือว่าให้หมดสิ้นไป จากกิตใจนี้ได้ในชาตินี้เออแน่นอนนะผู้นั้นก็ต้องเข้าสู่ควานิพพานแน่ไม่ต้องสงสัยเหลือสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้เมื่อบุตอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพวันโลกชั้นสุดทาวาสอันเรียกว่าเป็นพระอนาคามี มันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้ความเกิดของมนุษย์เรานะคาว่าสุขคติแต่ว่าสถานที่ไปสู่ที่สุขสบายมันก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้แม้แต่พวกที่ทำบุญกุศลเป็นกามาประจรกุศลนี่ไปเกิดสวรรค์คนยังเกิดชั้นสูงชั้นต่ำลองลงมา ไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรละ่กะก็เพราะบุญกุศลที่ทำนั้นมันมากมันน้อยกูกันมันไม่เท่ากันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้มันละเอียดถี่ถ้วนมันถึงจะไม่เห็นผิดเป็นชอบไปทางต่างนานาความจริงนะสวรรค์ในพระอริยบุคคลนะไปเกิดอยู่ในสวรรค์นั้นเยอะแยะเลย เช่นพระโสดาพตะจกิธาคาเมียสองอย่างพวกนี้ก็อรอดไปเกิดสวรรค์นในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งทั้ง น, นั้นเละท่านยังไม่ได้เข้าสู่นิพพานนี้ท่านเหล่านี้นะือะจะว่าสวรรค์ น, นั้นโหไปไง่ายๆเข้าใจผิดไปเมื่อเราเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะลังเลใจทางไปของชีวิตมันมีอยู่สามทาง ทางไปสู่สุขคติห น, น, น, น, นึ่งทางไปสู่ทุกขคติหนึ่งทางไปสู่พระนิพพานหนึ่งมีอยู่ถามทางอย่างนี้แต่ทางไปสู่พระนิพพานนั้นมันก็มันก็ทางเดียวกันกับทางไปสู่สุขคตินั่นน่ะแต่ว่าทางไปสู่สุขคตินี่มันมันไม่มันมันมีความหมายกว้างขวาง ไอ้พวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาเขาภาวนารักษาสินให้บริสุทธิ์ตอนนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้สำหรับชาวพุทธแล้วเป็นผู้ตั้งสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบขึ้นไว้ในใจเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงอย่างนี้นะ ความโศกเศร้าเสียใจพิไร ล, ลำพันต่างๆนั้นเป็นทุกข์จริงความพัาดพาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่ความเป็นทุกข์นี่มันมีอยู่ในชีวิตของคนเราทุกคนเลยทุกทั้งหลายเหล่านี้นะนั่นเอง ไอ้ที่นี่ที่มันจะไม่เป็นทุกข์ได้นั่นนะก็เพราะว่าบุคคลมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาบันเทาตัณหาให้สงบระ ง, งับลงเมื่อความอยากในหัวใจนี่มันเบาบางลงไปแล้วมันก็มีปัญญาปุณณ์อี่เมื่อมันผิดหวังในสิ่งใดก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะใหามันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหนปัญญามันเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็หายอยากความอยากมันก็เบาลงมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจิตมันถึงไว้เป็นทุกนั่นแหละพอรู้จักวิธีดับดับเหตุแห่งทุกคือเหตุแห่งทุกที่พระศาสนาทรงสอนไว้ตัณหาประเภทเดียวนี่แหละแต่ว่าเมื่อมันกระจายออกไปแล้วมันถึมีหลาย เง่หลายมุมมันตันหานี่นะแต่มูลเหตุแห่งทุกข์โดยตรงแล้วก็คือตันหานเป็นงั้นในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรานะถอนรากเง่งาแห่งความทุกขแห่งเหตุแห่งทุกขทั้งหลายออกไปให้หมดแต่รัฐีอื่นเขาเพียงแต่ภาวนาเพ่งขีดให้สงบลงไป มีศีลห้าทำใหเข้าไปสวรรค์ได้มันต่างกันมันสถานที่อยู่คือสวรรค์หกท่านเนี่ยซึงเชื่อว่าเป็นที่รวมอยู่แห่งบุคคลผู้มีบุญอันนี้ผู้มีบุญเนี่ยมันก็มีหลายประเภทยอย่างที่ว่านั่นแหละพี่ผู้มีบุญเป็นอริยะบุคคลก็มีผู้มีบุญเป็นเ อ, อกัลยาณชนผู้มีศีลธรรมดีงามก็มี อย่างนี้ก็นปนเปยงกันอยู่เหมือนอย่างโลกมนุษย์เรานี่แหละโลกมนุษย์เรานี่ก็ผู้มีบุญอย่างสูงได้สาเร็จมรรพผลทนทิพพานก็มีผู้มีบุญอย่างต่าลงมาก็มีผู้มีได้สั่งสมบุญกุศลอันเป็นโลกียอยู่ก็มีพูดถึงฝ่ายชั่วอย่างนี้คนบาปคนที่เป็นโจรเป็นมารทั้งหลายก็มีอยู่ในโลกนี้แต่ว่า อนสุคติสวรรค์สั้นฟ้านั้นไม่มีคนพ่านนะมันเป็นอย่างังน <c oughs> <c oughs> ังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เมื่อผู้ใดมารู้แจ้งในคําสอนของพระ เ, เจ้าอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะขมักขม้นทําความเพียรเพื่อละตัณหาอในหัวใจนี้ให้เบาบางไปเรื่อยๆไปถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษแห่งตัณหานี่ รักตัณหาพอใจในการสะสมความอยากใหหนาแน่นขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะมันก็คนทุกข์ไม่ได้สักทีเพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่ความอยากในหัวใจนั้นเมื่อใจอยากได้อะไรมาแล้วไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์แล้วเมื่อเวลาแสวงหาอยู่นั่นก็เป็นทุกข์พอแรงแสวงหาไปไปไม่ไม่ได้สมหวังนั่นก็เป็นทุกข์แล้วได้สมหวังมาแล้วก็เป็นทุกข์ เพราะมารักษาเพราะสมบัติในโลกนี่มันหายได้ไม่เหมือนอย่างสมบัติในสวรรค์นะสมบัติในสวรรค์นั้นใครจะรักเอาไปไม่ได้เลยเพราะบุญของเพื่อนมันแรงมันมากแล้วก็ในสวรรค์ไม่มีโจรไม่มีขโมยอย่างที่ว่านะั้นนะแต่ในโลกสมบัติในโลกอันนี้บุญกุศลบุคคลที่ได้ทาความดีมาในปางก่อนแล้วมาอำนวยให้นะี่นะ มันไม่มีสิทสิทธทิภาพพอที่จะออป้องกันไม่ให้สมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญนั่นตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปอ่ะบางทีมันก็ไฟไหม้น้ำท่วมบางทีก็โจรปล่มก้นอะไรต่ออะไรทรพัไในสมบัติในโลกอันนี้นะมันเป็นอย่างนี้แหละกรเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทใหเห็นโทษแห่งตันหา เมื่อละตัณหานี่ให้เบาวางเอาไว้เท่าไรไอ้ความเกิดอีกมันก็น้อยลงน้อยลงนี่เมื่อละตัณหาีได้หมดสิ้นไปความเกิดอีกในโลกทั้งสามนี่ก็ไม่มีเลยก็เป็นอันว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากในวตาสงสารนี่ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้